ใดเข้าถึงภาวะที่ดูที่เห็นนี่เป็นบทสรุปเป็นการศึกษาที่สรุปให้เราเข้าถึงภาวะที่เห็นภาวะที่ดูไม่ได้เป็นทุกข์ก็เพราะเห็นมันทุกข์มันร้อนมันหนาวก็เห็นมันร้อนมันหนาวมันหิวก็เห็นมันหิวมันเจ็บมันปวดเห็น มันเจ็บมันปวดไม่ได้เป็นแต่เห็นนี่ปลอดภัยที่สุดชีวิตของเราหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนมีเรื่องค่อนข้างจะสดสด เกิดขึ้นณชมรมเพื่อนคุณธรรมของเรานะคะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมานี่เองได้มีเพื่อนใหม่ท่านหนึ่งมายิ้มเยือนชมรมเพื่อนคุณธรรมของเราพอมาถึงนะคะอาจารย์เขาจอดรถที่หน้าชมรมเหมือนกับรถคันอื่นๆที่มาที่ชมรมแต่ความที่เจ้าตัวอาจจะเป็นคนช่างสังเกตหรือมีประสบการณ์บางอย่างมาพอสมควรก็จึงได้สังเกตเห็นว่า ตึกใหญ่ที่กำลังสร้างอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของเราเนี่ยนะคะอาจารย์มีลักษณะการออกแบบที่มีห่วงจุ้ยที่อาจจะให้ผลลบกับชมรมของเราซึ่งเป็นอาคารที่อยู่คนละฝั่งถนนซอยเนี่ยนะคะอย่างค่อนข้างจะแรงทีเดียวเขาใช้คำว่าห่วงจุ้ยของอาคารดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นปากยื่นออกมาแล้วก็มีความหมายเป็นการกินสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม จะมีผลกระทบให้ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็คือพวกเราเนี่ยนะคะจะต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะแรงกระทบที่ส่งเข้ามาเหตุการณ์นี้ว่าก็ว่านะคะเป็นเหตุการณ์ที่ร่วมสมัยของเพื่อนของเราหลายคนแน่นอนคะ่ะเพราะว่ากรุงเทพมหานคร Straße เนี่ยเป็นที่ที่มีตึกสูงสร้างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เรายังถือว่าโชคดีที่อาคารดังกล่าวแค่8ดชั้น บางคนนี่ต้องรีบย้ายบ้านหนีเลยคะ่ะเพราะอาคารข้างเคียงนี่สูงซะเหลือเกินก็ผลกระทบดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะคะล้วนแล้วแต่ทําให้หลายคนทีเดียวต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนกันไปตามๆกันในฐานะของเราที่เป็นชาวพุทธที่มั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยเราควรจะมีท่าทีต่อเหตุการณ์เยี่ยงนี้อย่างไรจึงจะถูกทางคะก็ไม่ต้องไปทําอะไรหรอก สิ่งก่อสร้างก็คือการก่อสร้างตอนนั้นเองไอ้ที่คำว่ามันเป็นหงช่วยดีหรือไม่ดีนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ก่อสร้างมาเสมอไปหรอกที่ว่าไม่ดีเพราะเราไม่ชอบถ้าเราชอบเราก็ว่ามันดีเขาอาจจะปลูกสูงใหญ่โตกับเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักยอมรับว่าอ๋อนี่มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะต้องปลูกจะต้องก่อสร้างให้สูง อาศัยความจำเป็นบางอย่างเพราะสมัยนี้นี่การก่อสร้างโดยเฉพาะในเมืองหลวงเนี่ปลูกชั้นเดียวแหละไม่เพียงพอหรอกเพราะรอบข้างนี่มันเป็นตึกสี่ชั้นห้าชั้นเนื้อที่มันก็แพงก็ต้องอาศัยต่อๆกันไปข้างบนนะเราอาจจะไม่ค่อยชอบใจด้วยอ๋อนี่บังลมอ๋อนี่บังแดดบังสายตาอันนั้นเป็นเรื่องของเราต่างหากซึ่งไม่เกี่ยวกับเขา เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนวิธีการของเขาได้เราต้องรู้จักเข้าใจเข้าใจในตัวเราเข้าใจในตัวเขาทุกคนจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเขามีความจําเป็นเฉพาะตัวเขา่นั้นยิ่งเรื่องการค้าขายเรื่องธุรกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเองเขาทำไมจะใช้เนื้อที่น้อยๆแต่ให้ได้ประโยชน์มากเขาก็จะทําถ้าโดยจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาทํารับต้องเดือดร้อนพูดที่เดือดร้อนเนี่ยมักจะพูดอีกคิดไปเองอย่างน้อย ในโลกสมมุติเนี่ยเขาก็มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วเขาคงจะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายคนที่เข้ามาในชมรมเนี่ยก็มีความเห็นหลายอย่างบางคนก็เออตึกนี้สวยดีเนะาะสระตึ้งสูงชมรมเนี่ยจะได้มีเพื่อนคุธรทมมากมายวัด <c oughs> ตึ้งสูงจะมีคนมาอยู่มากมาย <c oughs> อย่างน้อยก็สองรอยชีวิตแล้วจะมาเป็นเพื่อนของเรานะคะมีคนอยู่มากมายโอ้สบายเลยที่ว่าสบายเพราะว่าต่อไปเนี่ย ที่มาสร้างใกล้เราและมีคนอยู่หลายคนเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าชมรมที่ทําอะไรว่านี่เผยแผ่ธรรมะนี่กา จ, จะสนใจธรรมะบ้างก็ได้ผ่านไปผ่านมาว่านี่มีธรรม ะ, อะเอาซีดีไปฟังก็มียังไงก็มีนะมีคนคิดนะแต่บางคนก็คิดว่าโอ้นี่มันบางหมดเลยเนาะทำให้ชมรมเพื่อนคนทำนี่มันเหลือนิดเดียวอันนี้เป็นความคิดหลากหลายสรุปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจเราทั้งนั้นรเราจะมองสิ่งนั้นไปในทาง บวกหรือในทางลบถ้ามองไปทางบวกเออผู้มองก็มีความสุขถ้ามองไปทางลบ ก, ก็คิดจะแก้ไขคิดแก้ไขสิ่งภายนอกไม่ได้แก้ไขใจเราให้ยอมรับความจริงเรื่องหงจุย้ยเรื่องสถานที่ตั้งเนี่ยมันมีปันานแล้วต่อไปก็จะมีเงี้เรื่อยๆไปมันเป็นเรื่องของสมมุติอยู่ที่ใจเราต่างหากถ้าเรายอมรับได้แล้วก็มันไม่มีปัญหาหรอถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ยก็มีปัญหาล่ําไป แล้วทำไมคนหลายคนถึงมีความสุขว่าห่วงจุ้ยที่ไม่ดีมีผลกระทบแรงต่อตัวเองจริงๆก็เป็นความรู้สึกไปเท่านั้นมันเป็นแค่จิตปรุงแต่งเท <c oughs> ่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกเหรอคะใช่เพราะหลายคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะหลายคนอาจจะมีควาเห็นแบบนั้นหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนเขารู้สึกเฉยเฉยรู้สึกธรรมดาธรรมดายุที่เราให้ค่าให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นด้วยใช่ไหมคะครับถ้าเราไม่ให้ค่าให้ความสําคัญก็ไม่เป็นไร อาจารย์เคยทราบไหมคะว่าตึกบางตึกเนี่ยเขาจะไม่มีชั้นที่สิบสามพอถึงชั้นที่สิบสองเนี่ยเขาจะกระโดดขึ้นไปเป็นชั้นที่สิบสี่เลยชั้นที่สิบสามจะไม่มีซึ่งมันก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่แปลกนะคะว่าเอ๊ะแล้วชั้นที่สิบสามหายไปไหนมันเป็นเรื่องโง่หลงงลายไม่ใช่เรื่องจริงมันเรื่องสมมุติสมมุติในเลขบันไดต้องมีห้าขั้นต้องมีเป็นเลขขี้เลขคู่ไม่ได้มันเป็นสมมุติทั้งนั้นแหละ <c oughs> คืออยู่กับว่าเราจะยึดติดในสมมตินั้นไหมสมมุติบางอย่างเนี่ย เขามีไว้เพื่อที่จะให้เราลำวังให้เรามีสติอย่างเช่นก่อนจะออกจากบ้านนี่เสียงจิ้งจกดังขึ้นมาเนี่ยอ๋อจิ้งจกก็ทักแล้วเพราะอะไรบ า, างทีเราเผลอรีบออกจากบ้านขาดสติเนี่ยประตูก็ไม่ได้ปนะิดน้ำไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ปิดเห็นไหมจิ้งจกทัก้นให้เรามีสติรู้ว่าอ๋อเรากลาลังจะอจกนนะกจะอกจากบ้านนะการจะออกจากบ้านต้องทําอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่จิ้งจกทักแล้วโอ้เราจะโชคไม่ดีก็จะออกไปเเเเลยยยยวััันนนนนน้ีีี่มกก็สสงาารไป คือให้เรามีสติสิ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้แต่ถ้าไปติดสมมติแล้วก็เราจะมีความทุกข์นะติดสมมุติจะมีความทุกข์ทันทีเลยเพราะสมมุติเนี่ยมันไม่จริงอาจารย์กําลังจะบอกว่าถึงแม้ว่า่วงจุ้ยที่ไม่ดีส่งผลกระทบมายังสถานที่อยู่อาศัยของเราถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ให้ค่าไม่ให้ความสําคัญอะไรเลยเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้จิตใจของเราเนี่ย วันไหวหรือว่าความเป็นอยู่ในชุดของเรามีอันเป็นไปได้ครับถ้าหงจุ้ยดีแต่ถ้าคนประพฤติไม่ดีอะคมันก็ไม่ดีหงจุ้ยดีความทุกอย่างเลยแต่ถ้าคนที่อยู่เนี่ยมีแต่ความโลภความโกรธความหลงกุดหงิดตุดอัดอัดเครื่องทะเลาะเบาแวงกันทุกวันเนี่ยจะไปโทษหงจุ้ยมีดีไม่ได้ต้องโทษว่าใจเราต่างหาที่ไม่ดีขึ้นอยู่กับคนที่อยู่เป็นสําคัญสังเกตดูคนบางคนเนี่ย เขาอยู่บ้านเล็กนิดเดียวค่ะอยู่ในซอกแต่ใจเขาดีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะคะใจเขาดีเขาก็ไม่มีปัญห า, ากับสถานที่เขาอยู่ค่ะบางคนนี่บ้านเรือนใหญ่โตโออาโ อ, โอแต่คนอยู่นี่ไม่มีความสุขเลยทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันทุกวันเอารัดเอาเปรียบกันแล้วอย่า ง, ง น, นั้นจะไปโทษสถานที่อยู่ไม่ได้ ต้องโทษคนอยู่เป็นคนสำคัญถ้าเรามองห่งจุ้ยในมุมนี้เนี่ยค่อนข้างชัดนะคะ<ม>ว่าบ้านที่ใหญ่โตก็รู้อลังการหลายร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในนั้นจะมีความสุขเสมอไปอันนี้ก็ถามว่าเป็นหงจุ้ยที่ดีไหมก็น่าจะเป็นหงจุ้ยที่ดีนะคะ<ม>แต่ถ้าเป็นคนทังโลกเขาจะคิดยังไงเลยคะ่ะอาจารย์ก็บอกบ้านนี้ต้องมีอะไรที่มีหงจุ้ยผิด จะต้องมีการแก้หองช่วยอันนี้เรื่องไม่ไกลตัวเลยนะคะอาจารย์ร บ, บ้านใกล้ๆบ้านเราในซอยนี้เองเนี่ยนะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมาถามว่าเห็นที่บ้านชมรมเนี่ยมีก้อนหินอยากจะได้ก้อนหินเพิ่มบ้างไหมตัวเองก็ถามกลับไปว่าแล้วยังไงเหรอคะเขาบอกที่บ้านเขาเนี่ยมีก้อนหินอยู่หน้าบ้านอยู่สองสมก้อนแหละแล้วเป็นก้อนใหญ่มากจะต้องใช้รถยกนะคะคนยกไม่ไหวเขาถามว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้เนี่ยเขาจะให้เออเราก็แปลกใจว่า ก้อนหินก้อนใหญ่ขนาดน right ั้นน่ะหลายตั้งอ่ะราคาเป็นหมื่นน่ะอยู่ดีๆจะมาให้เราได้ยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเพราะถ้าไม่สวยไม่ดีไม่ชอบเนี่ยเขาคงไม่เอาไว้ในบ้านเขาหรอกเขาบอกว่าฮวงด้วยที่บ้านไม่ค่อยดีมีคนมาดูแล้วสั่งให้แก้ก็เลยจะต้องเอาออกก็ได้เอาออกนะคะแล้วพอดีตัวเองไม่ไม่มีพื้นที่มากพอที่จะวางก้อนหินใหญ่หลายก้อนได้ก็เลยเรียกเพื่อนที่มีที่ในบ้านกว้างๆให้มาเอาไปเรื่องก็จบลงแต่ จบลงแค่การย้ายก้อนหินก้อนที่ว่าทําให้หวงจุ้ยของบ้านไม่ดีออกไปเฉยๆนะคะแต่ตัวบ้านและตัวเจ้าของบ้านก็ยังมีอันเป็นไปอยู่ค่ะถึงที่สุดนะวันนี้นะคะหลังจากที่เขาได้เอาหงจุ้ยที่เขาว่าไม่ดีออกแล้วเนี่ยเขาก็ได้แก้ไขเรื่องราวต่างๆในบ้านตามคําแนะนําของเินแสที่มาดูให้เปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนที่วางของอะไรต่ออะไรหลายจุดทีเดียวแต่สุดท้ายค่ะวันนี้บ้านหลังนั้นได้ถูกแบงค์ยึด แล้วก็ขายทอดเปลี่ยนมือไปไม่รู้กี่มือแล้วนะคะถึงวันนี้ค่ะก็แสดงว่าถึงแม้ว่าผู้มีความรู้เรื่องหวงจุย้ยจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีจะได้แก้ไขให้ตามหลักวิชาการหวงจุ้ยแล้วก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกรรมของบุคคลได้บุคคลเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆนะคะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจิตใจจะอ่อนแออ่อนไหวได้ง่ายถ้าเขาทัก โอ้เว้ยเราก็เครียดถ้าเขาชมแล้วก็ชอบชอเพราะฉนั้นใจเรามันหวายไปตามอารมณ์ที่เขาชอบเขาก็พูดกับเราดีดๆเขาก็แนะนําสิ่งที่ดีๆแล้วก็ชอบแต่เขาทักว่ามันจะไม่ดีเนี่ยเริ่มใจเราไม่ดีแล้วค่ะเ น, นี่ยพราะว่าใจเราไม่มั่นคงถ้าเราบั่นคงสักอย่างนี่ <c oughs> อะไรก็ไม่ทําให้เราอ่อนไหวได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองค่ะเนี่ยแสดงว่าจิตใจอ่อนแอถ้าคนที่เขามีสติมีปัญญาเนี่ย เขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะไรน่ทําอะไรที่เขาทำอยู่ที่เขาทาอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วดีแล้วแต่คนอื่นมาทักหนี่งมันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเราอย่างเช่นเขาบอกว่าอ่ะก้อนหินนี่มันไม่ดีนะเนี่ยวางว่าตรงนี้มันไม่เหมาะต้องวางตรงโน้นค่ะมันเหมาะของเราอะวางตรงมันเหมาะแล้วมันไม่เกะกะเราลองไปเชี่อกันสิวางตรงโน้นโอ้ล้วก็ยังติดใจอยู่ตรงนี้มันก็ดีกว่า มันอยู่ที่ใจเราบางค่ะฮวงจุ้ยดีเนี่ยอยู่ที่ใจจริงๆนะคะอาจารย์ถ้าอะไรที่เราเห็นแล้วเราสบายใจอันนั่นแหละคือหวงจุ้ยที่ดีสําหรับเราครับแต่ถ้าอะไรที่เราเห็นแล้วเราสึกอึดอัดขัดใจขัดตาอันนั้นแหะฮวงจุ้ยที่ไม่ดีสําหรับเราจริงๆนะคะครับอาจารย์จําได้ไหมคะสมัยที่เราอยู่ที่บ้านชมรมหลังเก่านะคะใครมาเนี่ยที่เป็นหมอหวงจุ้ยหรือคนที่มีความรู้ทางด้านหวงจุ้ยทั้งหลายเนี่ยก็จะทักหมดเลยจุดที่อาจารย์นอนเนี่ยไม่ดีนะฝ้าเนี่ยมันเป็นหลุม ลึกเข้าไปมันจะทำให้การไหลเวียนของพลังงานนี่มีผลกระทบต่อคนที่อยู่อาศัยตรงนั้นแต่อาจารย์นอนตรงนั้นมาหลายปีก็มีความสุขดีนะคะอ๋อเนี่ยมีแต่คนทักว่าไม่ดีนะเรืองนี้ไม่ดี ผมเม็นรู้สึกอะไรเลยใช่ดิฉันเองก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอู่แล้วมันก็ดีไม่ใช่แค่ไม่รู้สึกอะไรในทางลบนะคะจารย์ทุกครั้งที่มองฝ้าที่มันเป็นหลุมขึ้นไปเนี่ยจิตใจรู้สึกมีความสุขสดชื่นเพราะเราสึกเราเราเราชอบอะฝ้าสูงสูงแล้วมีความลึกเข้าไปดูแล้วมันสบายใจยังไงบอกไม่ถูกอะไรก็ตามที่เราอยู่อาศัยหรือเราใช้มันค่ะถ้ามันไม่มาขัดขวางการดําเนินชีวิตของเราแล้วก็มันดีทั้งนั้นนะเนี่ยถ้ามันขัดขวางเกกะแล้วก็ย้ายออกไปค่ะ แล้วแต่ว่าเราอาศัยความเหมาะสมของตัวเราต่างหากสีนี้ไม่ดีแต่เราชอบอะ่ะเราดูทีไรล้วก็สบายใจทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่กับความสะดวกสบายที่เราจะต้องเอาไปใช้ค่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยดีไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> มาถึงตรงนี้ก็คงจะต้องแลกเปลี่ยนกับเพื่อนของเราละค่ะว่าเรื่องห่วงจุย้ยอาจจะเป็นศาสตร์ที่มีคนศึกษาค้นคว้ามายาวนาน และอาจจะมีผลต่อความเป็นอยู่ของใครหลายคนอาจจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนมากมายในวงกว้างแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้านะอาจารย์รเหนือหวงจุ้ยก็ยังมีเรื่องของคุ ณ, ณธรรมนะคะค่ะถ้าเราเป็นคนดีมั่นคงในความดีทำแต่สิ่งที่ดีหวงจุ้ยที่เขาว่าไม่ดีก็ไม่น่าจะทำอะไรเราได้นะคะครับผเห็นเป็นคนที่ทนงานยากจน เขาอยู่แบบสบายๆก็มีมากมาย ค, คนที่มีฐานะร่ํารวยมั่งคัง่งแต่ว่าชีวิตจะมีปัญหามากเพรา ะ, ะนั้นอย่าไปโทษสิ่งภายนอกสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีนั่นก็ อ, อยู่ที่จิตใจมุมมองของเราถ้าเราอยู่แล้วเรามีความประพฤติดีจิตใจดีมันก็มีความสุขไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแม้แต่อยู่ในเรือนจํานะะถ้าเขารู้จักว่าอ่อนนี่มันเหมือนบ้านเรานะเราอยู่ให้เหมือนบ้านเราใชายึดแบบบ้านเราเขาก็มีความสุขแม้ในเรือนจํา แต่ถ้าอยู่ข้างนอกเรือนจำํำในตึกใหญ่โตอยู่สูงแต่ถ้าจิตใจก็มีแต่ความเครียดความทุกข์ความเศร้าหมองสู้คุณอยู่ในเรือนจําไม่ได้แล้วใครจะแลกแล่ะคะคือบอกว่าถ้าที่เราคับแคบคให้นึกถึงเรือนจําเราจะรู้สึกว่าโอ้ในเรือนจํานี่มันแยกกว่านี้นะย ค, คับแคบแั่ น, นี้เราก็ยังอยู่ได้ก็จึงบอกว่าให้รู้จักการวางกิตใจให้ถูกต้องการวางใจสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะ เพราะนั้นห่วงจุ้ยทีแท้จริงนั้นก็คือการมีสตินี่แหล ะ, ะสติเนี่ยมันจะทำให้สถานที่อยู่ของจิตที่ปลอดภัยไม่จะเป็นต้องบ้านใหญ่โตหรูหราตามคนนู้นคนนี้บอกว่าอย่างนี้ดีไม่ดีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือถ้ามันดีนะต้องดีกับทุกๆคนด้วยเป็นมาตรฐาน ใครมาอยู่ตรงนั้นก็ต้องดีต้องดีทุกๆคนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจาย์มีข้อมูลเบื้องลึกนะคะที่เคยอ่านพบเจอมาในหนังสือของทางจีนนะคะเขาจะบอกว่าถึงฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเนี่ยนะคะจารย์ตัวหวงจุ้ยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเองนะคะคเปลี่ยนเองโดยธรรมชาติได้ถ้าคนที่อยู่อาศัยในอาคารนั้นหรือที่ดินผืนนั้นเนี่ยทําความดีมากขึ้นทําความดีเพิ่มขึ้น ฮวงจุ้ยรอบตัวที่เคยไม่ดีเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะ mm. เพราะฉะนั้นหวงจุ้ยเองก็เป็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ฮวงจุย้ยนี่จะเป็นสิ่งที่มั่นคงอามาตะานิรันกานะคะแม้แต่ฮวงจุ้ยก็อยู่ในกฎของความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับมีอันเป็นไปที่จะให้ฮวงจุ้ยนั้นนะมันเปลี่ยนไปถ้าเราทําความไม่ดีหรือทําความดีเพราะฉะนั้นแรงของหวงจุ้ยเนี่ยไม่ว่าจะแรงขนาดไหนเนี่ยนะคะ แต่ไม่แรงไปกว่าคุณธรรมของบุคคลถ้าบุคคลประพฤติคุณธรรมสูงส่งมากพอหวงชุวยที่ว่าไม่ดีจะปรับเปลี่ยนเป็นดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าบุคคลมีคุณธรรมที่ถดถอยด้อยลงไปหรือไปทำกรรมชั่วซะเลยทีเดียวเนี่ยหวงชุวยที่เคยดีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทางร้ายจริงๆแล้วหวงชุวยเป็นผลนะคะคไม่ได้เป็นเหตุแต่คนไม่ค่อยมองตรงนี้กันคะ่ะการอยู่ในโลกเนี้ย เราต้องอาศัยสติปัญญาเพราะในโลกนี้มีสองอย่างคือมีสมมุติกับมีปรมัติตสติปัญญาท่านที่แยกแยวว่าอันนี้คือสมมุติอันนี้คือของจริงอันนี้คือคุณค่าแท้อันนี้คุณค่าเทียมเราอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่ต่อต้านสมมุติให้อยู่ในโลกสมมุติด้วยสติปัญญาใช้สมมุติให้ถูกต้องแต่ก็อย่าไปยึดติดคนที่มีสติปัญญาเนี่ยอยู่ในโลกสมมุติมันก็ไม่ติดสมมติ จะอยู่เหนือสมมุติแต่ทําหน้าที่กับสมมุติให้ถูกต้องเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันยึดมั่นถึอมั่นไม่ได้หรอกเรามาอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวเราก็ต้องผ่านโรนี้ไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสร้างที่หลังมาสมมุติขึ้นถึงนั้นเลยที่จริงมันไม่มีอะไรมันก็เป็นโลกธรรมดาที่เราสมมุติว่าเนี่ยที่ของเราบ้านของเราจะ ต, ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของสมมุติเท่งนั้นถ้าใครรู้เท่าตานในสมมุติเนี่ยก็ไม่ยึดติดไม่ยึดติดให้เป็นทุกข์ เพราะคำว่าสมมติเนี่ยคือไม่จริงของจริงคือของที่เราอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นใจรู้สึกอย่างไรเราทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรา น, นี่มันของจริงที่ต่อหน้าต่อตาที่เรารู้จักใช้แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาสติปัญญาเท่านั้นจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตเราได้สติปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังการไข้ครวน การมีประสบการณ์จากการได้สัมผัสหรือการได้ลงมือปฏิบัติลงไปมันจะเกิดความมั่นใจรู้เท่าทันสิ่งต่างๆทั้งปวงเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้น่วงจุ้ยอย่างไรก็ไม่สามารถกระทบใจของเราให้กระเทือนได้เพราะว่าเราเนี่ยมั่นคงในสิ่งที่เราคิดแล้วก็มั่นคงในสิ่งที่เราทำว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราคิด หรือเป็นสิ่งที่เราทำนั้นเป็นไปในทางดีในทางที่เป็นกุศลและในทางที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวตลอดเวลา